ข้าพเจ้าพระภัยบุ์ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะได้นําพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังฟังเนื่องจากว่าอันนี้เป็นพินัยกรรมของพระุทเจ้าที่บอกว่าให้พระสงฆ์เนี่ยมีหน้านที่นั่นะคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จแจ่มแจ้งในที่นี้ก็จึงนําพระสูตรเรื่องราวต่างๆณที่ท่านผู้ฟัง อาจจะเคยฟังมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยฟังก็ตามแต่ถ้ายังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังถ้าได้ฟังแล้วเราก็จะมีวันนี้ที่มาคู่กันเราจะเป็นเรื่องราวที่มาทําให้แจ่มแจ้งในที่นี้ก็ได้ให้ฟังเรียกว่าทันตภูมิสูตรในทันตภูมิสูตรนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกในมัชชิมานิกายนอุปริปั น, นาคเรามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่ท่านฟังสามารถ ใช้ได้ทันทีเลยสมมุติว่าถ้าเราไปปฏิบัติธรรมสักที่ไหนที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็อไปอยู่นั่นลนะ่ะไปแล้วก็มีความสุขความสงบอะไรต่างๆอก็เลยไปเนี่ยปีหนึ่งจะไปสักครั้งสองครั้งไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่แล้วก็มีคนมาถามว่าอือนี่เธอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตสงบนี่มันเป็นยังไงเธอทําได้จริงเหรอแล้ก็มาตามเราอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อธิบายเข้าไปว่านี่ทําอย่างนี้สิ อยู่ในกฎการหลีกเล่นนะัะรักษาศีนั่งสมาธิฟังทำฟังพุทธพจน์นะโอ้จิตใจฉันสงบเลยนะบอกข้อนี้แตนะ่ถ้าเขาจะบอกกับเราว่าอืมเป็นไปได้เหรอเธอไม่เห็นน่าจะเป็นไปได้เลยมั น, ม, นมันมั่วหรือเปล่านี่พูดอะไรฉันไม่เข้าใจไม่น่าเป็นไปได้แตนะ่ถ้าเขาบอกอย่างนี้พระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรสถานการณ์นี้เลยเต็มฟังน่นะก็เรียกว่าทันตผู้มิสูตรแต่เป็นเรื่องราวที่สามเณรชื่อว่าอาชีรวาตะ นามสกุลอกิเบสนาหรือในพระเดชพระคุ โ, โระใช้คำว่าอักิเบสนาโคดสามเณรชื่ออาชิรตัตตะนามสกุลอกิเบสนานี i s นะได้คุยกับราชชุกมารคนหนึ่งชื่อชยเสเสนาเป็นชยัสเสนาราชชุกมานคุยกันหรือว่าบางทีในกรณีที่เราไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยรู้ว่าความสงบในจิตเป็นยังไงนะมีคนเล่าให้ฟังว่ า, เ, าเขาทํากันอย่างนี้รู้อย่างนี้ แตถ้าเรารู้พระสูตรนี้ทันตภูมิสูตรเนี่ยเราก็จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดแต่อาอจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาประสบการณ์ของเขาที่เขามีแต่ยังน้อยรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเข้าใจอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเดีะจะทราบได้อันนี้เป็นเรื่องที่สํำคัญจริงนํามาเล่าให้ท่านฟังฝังก็สืบเนื่องมาจากท่านพระอานนท์เองนะท่านฟังแตท่านพระอานนท์นี่เป็นผู้ที่มีเป็นเป็นป ร, รารถนเป็นผู้สูตรมากทีเดียวสามารถจำำรําคําำต่างๆได้ ท่านตะูมิสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่ท่านพระอนลเล่าให้ฟังะท่านพระอนุลเนี่ยไปจำมาจากพระรูชาแต่ตอนนั้นพระเจ้าก็สนทนาอยู่กับสามเณรอัจิรวตน์นี่แหละแล้วก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านพระอนุลขอท่านพระรูชาเอาไว้นะว่าถ้าพระองค์ไปอยู่ไหนเราข้าพระองค์ไม่อยู่ด้วยแล้ถ้าพระองค์ถ้าพระรูชาเนี่ยได้คุยกับใครบอกกับใครแสดงทําอะไรยังไงไว้ขอให้มันเล่าซ้ําให้ฟัง หรือว่าถท่านพระอนน์อยู่ในที่นั้นด้วยนั้นท่านก็จะทรงจำเอาไว้เลยนั้นเราก็ในการสังเยตนาครั้งต่อมาเขาก็มาลงบทเพียนชนะเป็นหลวกสอนเราก็เลยมีเรื่องราวที่ท่านพระอานนเนี่ยเล่าให้ฟังมาก่อนนั้นในในสถานการณ์นี้ก็เหมือนกันในตอนนั้นพระรูชาวอยู่ที่วัดเวรุวันนะซึ่งวัดเวรุวันเนี่ยคือเป็นป่าไผ่นั้ที่พระรูชาวพระเจ้าปิมพิสารเนี่ยเคยใช้ในการเป็นที่ให้เหยกะกะื่อกกแตกนั้นในที่นั้นก็ ปลายหลังเนี่ยก็ถวายเป็นวัดในพุทธศาสนาคือวัดเวรุวันแล้วก็ในที่นั้นก็มีราชกุมานแนะ น, านาว่าสเสยเศนะมาเที่ยวเดินป่าเดินสวนชมนกชมไม้ไปอย่างนั้นซึ่งพระสูตรนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านพระหนนอยู่กับรพระรูปเจ้าตอนนั้นหรืออาจจะเป็นสมัยที่พระรูปเจ้าอยู่เล็กเล่นคนเดียวแ ล, แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีคนมาพบมาคุยแล้วก็นํามาเล่าต่อให้ท่านพระนนท์ฟังอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในกรณีไหนแต่ที่แน่ ท่านพระนุนจำมาเล่าให้พวกเราฟังก็ฟังต่อไปนั่นคือตอนนั้นสัมมณีนอาจีรวัตก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งนะในวัดเวรวันนี่แหละแล้วก็พอท่านชยาเศรนะราชกุมารนะมาประพาสสวนอะไรต่างๆก็ไปเจอสัมมณีนเขานะก็เลยถามเรื่องราวที่เราคุยกันมานะถามว่าเอ๊ ใครทราคนนหนึ่งในธรรมะวันนนี้เนี่ยนะเขาเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวทําความเพียรอยู่เนี่ยจะทําเอกคะตาจิตให้เกิดขึ้นได้จริงเหรอเขาทํากันยังไงนั่นถามสามเณรนในลักษณะนี้สามเณรที่นั้นก็มีความค ว, มควรขวายน้อยนนในการที่จะบอกนะคือไม่อาจจะแสดงทําได้หรือว่าแสดงแล้วพระองค์ไม่เข้าใจแล้วก็จะเป็นความลําบากของตัวตัวสามเณรเอง นีนก็เลยเลีกเลี่ยงต่างๆนาน า, นาจนในที่สุดชียเสนาราชกุมารเนี่ยก็ขอให้ท่านสามเณรเล่าบอกให้ฟังโดยการที่ว่าอาจจะไม่ถามต่อแร้วถ้าไม่เข้าใจอะไรไงก็จะไม่ถามต่อคือพอสามเณรเล่าให้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่คิดจริงๆชยเสนาราชกุมารไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นได้แถึงความไม่เชื่อไม่ลงใจคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลย ไหที่ใครสักคนใดคนหนึ่งไหนปฏิบัติตามอย่างที่บุเช้าสอนเนี่ยเหรอมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะทําจิตให้เป็นไอกก้กระดาษนะมันไม่น่าจะได้นะมีความคิดว่างีกคือถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งไํานะมาคุยกับเรามาถามเราเราอธิบายให้เขาฟังไหนะมาถามเราว่าอมสมาธิเป็นยังไงทําแล้วเป็นยังไงทําได้จริงเหรอทำยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยไหนะตัวผู้นั้นไม่เคยเจอไม่เคยปฏิบัติตมไม่เคยทําได้ นะเราเล่าให้เขาฟังแล้วในเส้นทําอย่างนี้นะเป็หลีกเล่นมารักษาศีลนะเธอทําอย่างนี้เธอก็จะได้เหมือนกันใครๆทําก็ได้เหมือนกันเอ้ยไม่ไม่ ม, ม, ม่เชื่อเขาไม่ลงใจเชื่อนะก็จึงเป็นอุปมาอุปไมยที่พระรูชาเนี่ยได้สอนนะสอนสมมนนอามเณรอริยปัตตนี่แหละนะว่าถ้าวันหลังนะหรือว่าถ้ามีในกรณีนี้เกิดขึ้นอีกเธอก็พูดในลักษณะนี้ได้ถ้าเธอตอบเชืเส้นะราชกมุมารไปอย่างที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ย อันนี้เขาจะเรื่อมสายเตอบไปนนันมากนะี่เนกันถ้าเผืพวกเราเนี่ยได้รู้จักอุปมาอุปไมยสองข้อนั่นะพระเจ้าแสดงให้ฟังนั้นะแรบบกๆพระเจ้าเปรียบกับคู่ของช้างมา้าหรือว่าโคนะที่ควรฝึก2นะตัวนะมีโคคู่หนึ่งนะทั้งสองตัวเนี่ยควรฝึกควรฝึกได้เป็นโคที่ฝึกไดนะ้ช้างด้วยมา้าด้วยนะอย่างละคู่อย่างละคู่ตัวหนึ่งเอาไปฝึก อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ฝึกแตทั้งสองตัวเนี่ยสามารถฝึกได้เหมือนกันทั้งสองตัวตัวหนึ่งเอาไปฝึกสามารถฝึกให้รับอาหารวางอาหารเดินถอยลุกนั่งได้บอกได้แล้วตัวที่ยังไม่ได้ฝึกครควรฝึกได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ฝึกถามว่าตัวที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยนะมันสามารถที่จะลุกเดินจับกัดนั่ง ให้ลุกให้ถอยมันทําไม่ได้ท่านผู้ฟังทําไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ฝึกต่อให้มันสมควรฝึกยังไงก็ตามนะแต่มันยังไม่ได้ฝึกมันก็จะทําไม่ได้อย่างกรณีของสุนัขเนี่ยที่วัดป่าเดินให้ส่งมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะก็เป็นสุนัขที่น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราฝึกให้มันรู้จักนั่งเฉยนะพระก็สอนให้นั่งแล้วก็อาหารให้มันกินนแต่ว่าไม่ได้สอนให้ยืนนไม่ได้สอนให้เดินไม่ได้สอนให้ถอยนะมันก็ทําคําสั่งพวกนั้นไม่ได้ แต่ว่ามันก็เป็นสุนัขที่พอจะฝึกได้เหมือนกันแต่เราไม่รู้วิธีฝึกมันนะมีความซื่อสัตย์มีสัญชาติที่ดีเหมือนกันแต่ว่ายังฝึกไม่เสร็จนะมันก็ยังยังไม่ถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกได้ในสุนัขเนี่ยข้าพเจ้าเคยเห็นในฝันนะฝึกดีจนกระทั่งว่าเอาอาหารให้มันเนี่ยบอกให้มันคาบเฉยเฉยนะอย่า ก, กินนะมันก็คาบเฉยเฉยไม่กินได้น้ำลายไหลอยู่แต่ไม่กินนะบอกให้ปล่อยอาหารมันก็ปล่อย บอกให้คาบกลับขึ้นมามันก็คาบได้บอกให้กินมันก็กินได้แล้วมันฉลาดขนาดนี้ไม่เห็นแก่กินนะไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแต่ว่าเห็นแก่การที่จะตอบสนองต่อผู้ที่ผู้ที่เป็นเจ้านายผู้ที่ฝึกเขานั่นะนี่คือลักษณะของช้างมา้าหรือโคที่ฝึกแล้วนั่นจะมีภูมินแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้ ว, นะนะ ส, ลวส่วนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกต่อให้เขาเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มีความฉลาดแต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกเนี่ยเอาอาหารนีมันกินปุ๊บมันกินเลย นะมันไม่ได้คาบอยู่ในปากได้แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะที่ท่านให้ทำฟังลองพิจารณาดูว่าอ๋อสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันยังไม่รู้นะมันก็ยังจะไม่รู้คําสั่งไม่รู้คําสอนหรือในอีกกรณีหนึ่ง อ, อุปมาอุปมาที่สองที่พระเจ้ายกขึ้นในที่นี้ก็คือเปรียบเหมือนสหาย2คนนะเขาเขาออกจากบ้านไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งภูเนะขาลูกนี้ก็สูมเหมือนกันนะคน เพื่อนคนหนึ่งก็ขึ้นไปบนภูเขาในเพื่อนคนหนึ่งก็ยังอยู่ข้างล่างในเพื่อนคนที่อยู่ข้างล่างก็ถามเพื่อนบนภูเขาว่าเอ้ยเกริ่เกริ่งเห็นอะไรบนภูเขาโวยบนภูเขามันสูงในฝั่ ง, งมันก็เห็นภูมิภาคหน้ารืน่นรมเป็นวิวทิวทัศน์เห็นภูเขาเห็นปา่าเห็นสระอะไรต่างๆนะส่วนคนอยู่ข้างล่างนี่นเห็นอะไรแต่คนอยู่ข้างล่างไม่เห็นอะไรถูภูเขาบังอยู่มองอะไรก็ไม่เห็นถูต้นไม้ถูภูเขาบังอยู่ก็เห็นแต่ต้นไม้ต้น2ต้นอะไรต่างๆแบบนี้ภูมิภาค ติวท้าแต่ก็จะไม่สวยมันอยู่ข้างบนพอคนอยู่ข้างบนนี่เล่าให้ฟังว่าโห้ยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้สวยงามมากเลยคนก็ล่างบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ไงฉันไม่เห็นเห็นเลยนะว่าอย่างงี้ยคนที่อยู่ข้างบนนี่ก็คงจะรู้สึกรําคาญนะนะท่านฟังในกรณีเพื่อนสองคนเนี่ยนะก็เลยถึงกันลงมาแล้วก็จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างล่างนี่ขึ้นไปนะไปดูกันให้เห็นชัดๆนะพอเดินขึ้นไปแล้วให้เขาพักให้หายเหนื่อยสัหน่อยก่อน นะพัาากให้หายเนี่ยให้สบายใจสักครู่หนึ่งเราก็ตามมาเห็นอะไรไอคนที่ขึ้นไปทีหลังนี่ก็โอ้ใช่ใช่เห็นภูเขาต้นไม้สะนั่นสะนี้แหมสวยงามจริงๆแม่อ้ตอนแรกที่บอกว่าเห็นไม่เข้าใจเลยตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วแต่เพิ่งถึงบางอ้อท่านผู้ฟังแต่เพิ่งถึงบางอ้อเพราะเขาอยู่คนละที่พระเจ้ายกตัวอย่างอุ ป, ปมาอุปไมยนี้เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบว่าคนที่ยัง ถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาร้นอยู่ยังพอใจในกามยังถูกกองอวิชชาอันใหญ่น้ำบดบังอยู่เนี่ยจะไม่เห็นความสงบในใจเห็นสิทธิเป็นเอกคตาแล้วไอ้การจะบรรลุตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องหลีกออกจากกามนะอย่าพอใจในกามจะรู้จะเห็นสิ่งที่เป็นเนคมะสิ่งที่เป็นการหลีกออกจากกามความสงบในใจเนี่ยมันจะทําได้จต่ถ้าใครที่ยังพอใจ เรื่องของกรรบังคุณการไม่กิเลสอยู่เขาจะมาเห็นตรงนี้หรือแค่จะมาทําความเข้าใจมันไม่ได้แต่มันเป็นการยากเนื่เพราะว่าถูกกองอภิชานั้นบังอยู่นะเหมือนกันนะคุฟังเหมือนกันเหมือนกันในกรณีนี้ว่าถ้าผมว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราอธิบายนนในความที่เรื่องของธรรมะในความที่จิตเป็นจิตที่สงบเป็นเอกคตาเนี่ยแล้วเขามาถามเราอธิบายให้ฟังเราทํำมาอย่างนี้อย่างนี้ ก็ไม่เข้าใจเราก็ควรจะยกอุปมาประมยัยในะข้อที่1และข้อที่2นี้เพื่อให้เขาฟังไนะหนเขาทราบความที่ถ้าเขาทาเองแล้วเขาจะจะรู้ได้แต่เนหะมือนอย่างกรณีของเพื่อนคนที่2นั่นะที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายใจในะอาหารนี่ก็เหมือนกันสถานที่ก็เหมือนกันนะัเราเคยไปต่างประเทศหรือเราอาจจะยังไม่เคยไปต่างประเทศนะั้ไปถามเพื่นเขาไปเมืองนอกมาเป็นยังไงสนามบินเป็นยังไง ฉันไม่เคยไปทะเลทะเลเป็นยังไงฉันไม่เคยไปกรุงเทพกรุงเทพเป็นยังไงฉันไม่เคยกินอันนี้อันนี้รสชาติยังไงไปถามเขาคนเขาเคยกินเขาเคยไปเขาเคยเห็นเขาเคยรู้เขาอธิบายให้ฟังเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นอย่างนี้อาหารเป็นอย่างนี้น่ะอธิบายให้ฟังเราไม่เห็นเข้าใจเลยนะจนกระทั่งเราได้กินนั่นแหละได้ฟังเราได้รู้รสเอ๊เค็มเกลือกับเค็มซีอิ๊วไม่เหมือนกันนะเขาก็พยายามอธิบายว่ามันเค็มยังไงใช่ไหม หรือว่าที่นั้นที่นี่บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้กรุงเทพเป็นอย่างนี้อธิบายฟังจนกระทั่งไปดูเองนั่นแหะนะถึงเห็นเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จะถึงความเข้าใจได้เหมือนกันนะหรือมีนิทานปรมาราเล่าฟังในะที่คุณบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังในเะหมือนกับว่าเต่าเนี่ยเป็ น, นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมอยู่ในใต้น้าก็ได้อยู่บนฟากอยู่บนดินก็ได้นะเต่าก็ตอนอยู่บนดิน แกสังเกตเห็นความเป็นอยู่ของนกบินขึ้นบินลงอะไรต่างๆสบายใจนะไปไหนก็ได้ด้วยการบินแล้วนะก็พอมาลงมาในาน้ําก็มาอธิบายเรื่องของนกให้ปลาฟังนะก็พยายามจะให้ปลาเข้าใจว่าเออนกนไปอย่างนี้กินอย่างนี้นะปลาก็ถามว่าแล้วบนฟ้ามันมีขี้ตมไหมมีคลื่นลมอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยเนะต่าก็อธิบายมันไม่มีต้องขึ้นไปดูเองถึงจะเห็นแล้วนะก็ลักษณะเดียวกันว่า เวลาที่เรายังไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามเหตุแต่ตรงนี้อาศัยความศรัทธาเมกันนะความมั่นใจในกระบวนการในวิธีการเหมือนกันแตนะ่พอเรามีความมั่นใจกระบวนการวิธีการแล้วเราลองทําดูนะลองทําดูนะลองหลีกออกจากกรรมดูลองไปหลีกเล่นดูลองศึกษาธรรมะดูลองนั่งสมาธิดูทําตามลําดับตามขั้นตอนที่พระเจ้า อ, อธิบายแตนะเราก็จะเห็นได้ด้วยตัวเองมากบ้างน้อยบ้างก็ตามอินทรีย์ ตามความเข้มแข็งของกาลังจิตของเราตามวารมีต่างๆที่เราสั่งสมมาหรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วนะมีคนหน่นมาถามเรานะเราพยายามจะอธิบายเขาเขาไม่เข้าใจเราก็ชักชวนเขาไปทำนะชักชวนให้เขามารู้ให้มาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอริยาศาศาสัจสอนนี้ดีมากเลยหนะลังจากนั้นที่พระพุชธเาอธิบายอุปมาอุปไมยสองข้อนี้นะให้สามนเณ ร, รอริยตะอกิวเยสนะฟังแล้วเนี่ย ก็ได้อธิบายต่อไปใฟังแตนะเนื้อหาตรงนี้สําคัญมากแตนะเป็นการฝึกเป็นไปตามลําดับเอกที่ว่าเป็นไปตามลําดับคุณทำมาอย่างไงให้จิตเป็นเอกกาตาอะไรต่างๆเหล่าเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ยาวมากท่านฟังแตนะเป็นขั้นเป็นตอนจากขั้นที่1 2ึ่สามนะอุปมาประไม้ไว้ดีมากแต่นะจะเล่าให้ฟังอุปมาประไม้ที่พระเจ้าโยธนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับมีพระราชายวงหนึ่งพระราชานี้เขาก็มีช้างหลวง อยู่เชือกหนึ่งก็เลยให้พรานป่าผู้ชำนาญป่าช้างเข้าไปป่าเอาช้างเชือกนี้ไปด้วยนเห็นช้างป่าแล้วมันมาหาช้างหลวงตัวนี้ก็เอาเชือกคล้องมันมาก็พามันมาพอพามันแล้วมาถึงที่โล่งปร่งแจ้งแล้วก็ให้ควานช้างเป็นผู้ฝึกช้างเนมาฝึกจะเห็นว่าพรานป่าก็คนหนึ่งควานช้างก็อีกคนหนึ่งเป็นคนละคนกัน ที่ที่นี้พระเจ้าก็เปรเียบเหมือนกับใครสักคนคนหนึ่งนะตัวพระองค์เนี่ยเปรเียบเสมือนเป็นช้างหลวงนะที่ว่าเปราอุบัติขึ้นมาแล้วนะมีการประพฤติการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะได้แสดงธรรมกลบบุตรได้ฟังธทำแล้วก็รู้สึกว่าคารวะนี้เป็นทางมาแห่งทุลนะีแล้วก็การบรรพชาเป็นโอกาสว่างนะจึงพยายามที่จะหลีกออกจากเรือนนะลีกออกจากกามกุลป่าของกามกุล นะมาอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์นะพอออกมาแล้วนะก็กระบวนการขั้นที่2ก็เริ่มขึ้นนั่นก็คือการที่ต้องฝึกด้วยขวานช้างนัะก็คือเหมือนกับคุณออาบวชมาละมาฝึกนะก็ตรวพระองค์ก็เป็นขวานช้างด้วยอีกเหมือนกันนะในการที่จะฝึกให้รู้จักมีศีลอันดับแรกเนี่ยพอเขาเอาช้างมาจากป่าแล้วอยู่กลางที่กลางแจ้งแล้วนะักขวานช้างเขาก็จะแก้ไข ปกติความประยศของสัตว์ป่าซะก่อนนะความประยศของสัตว์ป่าซึ่งถ้าปเปรียบกับคนนั้นก็คือหมายความว่าความดําริอันเกี่ยวข้องด้วยการนะคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกาย5อย่างความกําหนัดเพลิดเพลิน อ, อ, อย่างพระบวชใหม่ๆเนี่ยพอบวชเข้ามาในภรรษาอย่างนี้นะก็ยังจะคิดถึงการครองเรือนตรงนั้นแหมเราได้กินข้าวเย็นนะจะมีความคิดที่น้อมไปในการมสัญญา ที่เคยเป็นไปในอดีตนะตัวพระองค์ก็เคยประสบ ป, ปัญหานี้ในะตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยน้อยครั้งนักที่จะนึกถึงการมสัญญาที่เป็นไปในอนาคตหรือเป็นไปในปัจจุบันส่วนมากส่วนใหญ่ความคิดที่มันจะไหลไปทางต่ำเนี่ยมันจะไหลไปทางการมสัญญาที่เป็นไปในอดีตมากกว่านั่นะก็แก้ปัญหานี้กันไปเหนะมือนการคนที่บวชขึ้นมาใหม่แลนะเพิ่งออกจากป่า น้ำป่าของกรรมกุลนะ้ำป่าของอกุโสลธรรมนะเราอยู่ในบ้านเมืองอย่างเนี้ยคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่กลางใจเมืองแต่นั่นนะคือป่านะนะเป็นป่าในร้อ ย, ยวินัยที่เปรียบเหมือนกับป่าของผัสสะมีแรงกระทบตึงตั้งบึ้มบั่มข่าวไม่ดีคนนี้เป็นอย่า ง, งานั้นคนนั้นว่ายอย่างนี้มีสิ่งอกุศสลธรรมเกิดขึ้นชุ่มอยู่ได้กามนะนี่คือลักษณะของป่าเหมือนกระช้างที่อยู่ในป่ายังมีความพยศ ยังยินดีในลักษณะป่าปาเป็นพรานๆนะไม่สุกุมรอบคอบเหมือนคนที่อยู่ในเมืองแล้ก็เปรียบกับการที่เวลาที่ใครเสกใครคนหนึ่งออกบวชมาแล้วนะมาอยู่ในเมืองละอยู่ในเมืองในที่นี้คือหมายถึงเดที่ลงแจงนะเหมือนกับควานช้างนะเอาช้างมาแล้วนะก็ต้องฝึกเขาให้ดีนะใจเราเหมือนกันพอเรามาปฏิบัติในะสิ่งที่ว่าหลีกออกจากกรมนะมาปฏิบัติเนกขมมะเช่นรักษาศีลแปด อยู่วัดหรืออยู่บ้านรักษาศีลแปก็ตามนี่ก็ชื่อว่าออกจากป่านะป่าในที่นี่คือเหมือนกัช้างออกจากป่ามาแล้วแต่ก็ยังมีนิสัยพยศหรือว่าความรู้สึกที่ยังคุ้นเคยกับป่าอยู่นะ่ยก็ต้องปราบพยศตรงนั้นก่อนเขาก็จะต้องเอาเสาตะลุงนะป่าเอาไว้นะเออกช้างนี่ผูกเข้าไว้นะพูดกับเดี้ยมกับมันดีๆนะให้มันรู้จักฟังคําที่นุ่มนวลนะถ้าเขาฟังคําที่นุ่มนวลรู้จัก อ่อนลงไม่ปรพยศเหมือนเก่าก็เอาอาหารให้นะเอาน้ําให้นะเช่นเดียวกันเวลาที่เราออกจากป่านะมาอยู่ในความสงัดนะออกจากป่าของกามาคุณนะออกจากป่าของอคุโสลธรรมนะเราออกบสถจากเรือนมาหลีกเล่นอยู่ในวัดก็ตามที่บ้านก็ตามนะเสร็จแล้วกายเราวิเวกละนะต่อไปก็คือให้เป็นคนยิงศีล น, นะศีลเ น, นี่ยเป็นขั้นตอนแรกจำไ่ง ให้มีการมีศีลสมบรมได้ดีในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งมารยาทที่มาที่ไปนหนดีนะ ด, นะดีตรงนี้แล้วก็คือเหมือนกับรู้จักฟังคํามันนุ่มนวล น, นะศีลเนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เพื่อความสงบสงี่ยมเพื่อความอดทนอันนี้ดีมากนะเสร็จแล้วเราก็จะได้อันนิสงคือความไม่ร้อนใจนะความไม่ร้อนใจในต้นฟังมันเหมือนกับอาหารหรือน้ํานะที่เราได้จากขวานช้าง เวลาที่ขวานจางเขาเขาบอกนุ่มนวล น, นะบอกด้วยว่าจานุ่มนวลกับฉัดป่าแล้วมันฝังแตนะตัวคอมันก็ยังผูกอยู่ที่เชือกอยู่นั่นแหละนะเช่นเดียวกันถ้าจิตของเรานะีผูกอยู่กับสติปัฏฐานสี่นะคือเสาตะลุงในที่นี้นะเราเออกจากป่าของกามคุณในะมีความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างเราพยายามละด้วยการผูกจิตของเร า, เาไว้กับสติปัฏฐานสี่นะรักษาสีข อ, ของเราให้ดีรู้จักฟังคํามันนุ่มนวลของพระรูชา ใ น, นที่นี้สิ่งที่เราจะได้รับก็คืออ น, นิสงของการรักษาศีลนั่นคือการที่ไม่ร้อนใจนนเราจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นความไม่ร้อนใจก็เข้าไข่ความสบายใจนั่นละความทุกข์ความอะไรต่างๆก็น้อยลงการฝึกช้างหลังจากที่เขาฝึกให้รับฟังคำนุ่มนวลแล้วก็จะต้องฝึกให้รู้จักรุกรู้จักนั่งรู้จักยืนรู้จักย่อรู้จักรับรู้จักทิ้ง เนะช่นเดียวกันพู้เช่าก็จะฝึกบุคคลที่หลีกออกจากเรือนมาบวชเป็นพระแล้วนะหรือว่าเราไปหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่เรามีศีลแล้วได้รับอนุสสงคือความไม่ร้อนใจแล้วเราก็จะฝึกให้มีการสุรโมบินทสนะีสุรโมบินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ประกอบอยู่ในตามันเป็นเครื่องตื่นแนะละนิวรณ์ทั้ง5ทําจิตให้สงบได้นะทําจิตให้สงบแล้ว ก็ฝึกต่อไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะด้วยการที่ให้มีสมาธนะิขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่สนีะ่ต้องฝึกสมาธินี่ล่ามฟังพนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่ควนช้างเนี่ยฝึกให้ช้างทำกิจกรรมที่เรียกว่าอเนชันอเนชัเนี่ยคือแบบแข็งจังงังนะคือแบบสู้นะไม่หวั่นไหวนะไม่สะทกสะท้านนะต่อให้มีเสียงดังมีศัตรูอยู่ข้างหน้า S <S <an> เขาจะตีเขาจะทิมจะแทงนะฉันยืนตรงงานไม่กระดิกหางไม่กระดิกหูไม่ไหวขาหน้าขาหลังงวงตัวอะไรต่างไม่มีการสั่นไหวใดๆทั้งสิน้นนั่นคือกระบวนการะบวนการที่เรียกว่าอันเน ช, ชะยามเวลาที่เข้าประจำการกันเนี่ยเมือช้างตัวไหนที่มีความเป็นอันัย ช, ชะมีความอดทนยอดเยี่ยมนั่นถึงจะเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยเรียกว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาทีเดียว เหนือเหมือนการภิกษุพอรู้พวกเรื่องศีลเรื่องข้อปฏิบัติที่จะทําให้เกิดสมาธิดีขึ้นแล้วต่อไปมาทําสมาธิมานั่นก็คือเศษเสนาสนะอันสงนัดป่าบ้างคนไม้บ้างเรือนบ้างบ้า ง, างนะั่ท้องถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แช้งล้อมฟังอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นช็นจิตใจให้สงัดจากกา ร, รสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นก็ถึงชั้นที่1ที่2ที่3ที่สี่ไปนั้นคือเข้าข่ายของลักษณะฝึกความเป็นนันเนช นจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนวะมีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายอันนี้เริ่มละเริ่มเข้าสู่ความเป็นอนเรชาแล้วก็น้อมจิตนั้นไปนวะเพื่อวิชาทั้ง3ามแนวะมีจตุปปาตยานบ้างมีบุเพนิวาสารนสติยานบ้างและที่สําคัญคืออาสวะขยายา น, นั่นเองแนวะพอเราทํำวิชาสาในเรื่องของอาสวะขยายานให้เกิดขึ้นแนะก็มรรู้เป็นพระอรหันต์ นี่บรรลุเป็นพรหันพระเจ้าสรุปตรงนี้ไว้งดงามมากท่านผู้ฟังในะอย่างช้างเนี่ยปรี๋ยวที่เป็นะช้างในช้างตัวนี้ออกจากป่ามาแล้วแล้วก็ฝึกยังไม่ทันเสร็จแหมตายซะก่อนในะต่อให้เป็นช้างหนุ่มช้างแก่หรือว่าช้างปูนกลางก็แล้วแต่แหม่ถ้าฝึกยังไม่ทันเสร็จเนี่ยแหมก็เสียดายนะีก็เรียกว่าตายทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จนะแต่ถ้าฝึกเสร็จแล้วแหมก็ดีนะีเป็นช้างที่ฝึกเสร็จแล้วใช้งานละ มีความรู้ความล้าจริงเป็นแล้วค่อยตายนะ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีดีไม่ดีตรงนี้จริงจริงแล้วพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีกว่ากันแต่ให้เราตัดสินใจเอาเองนะว่าคนที่ฝึกเสร็จแล้วหรือคนที่ยังฝึกไม่เสร็จเนี่ยอันไหนดีกว่ากันกันแนในความเห็นของพระเจ้าผมคิดว่าคนที่ฝึกเสร็จแล้วแล้วค่อยตายเนี่ยมันดีกว่าคือมัอนเราไปเรียนวิทยา ย, ยุทมาเนี่ยเรียนให้จบสําเร็จจากสํานักแล้วเราค่อยออกมานะใช้ชีวิตแล้วก็ทําการละไปการตายของเราจะสมบูรณ์แบบ ก็เรียกว่าตายอย่างมีเกียรติบ้างกันเถอะนะเพราะฉนั้นก็เหมือนกันภิกษุถ้าเผยว่ายังไม่ทันหมดกิเอียดยังมีอาสวะอยู่และตายไปตายคาพระเหลืองนี่แหละแหมก็ถือว่ายังฝึกไม่สําเร็จแล้วตายไปแต่ถ้าหมดอาสวะแล้วสิ้นอาสวะแล้วฝึกสําเร็จก็ถือว่าฝึกวิทยายุทธสำเร็จละอย่างฝึกสําเร็จแล้วค่อยตายไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระปูณกลางหรือว่าพระแก่ก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ว่า พระภิกษุหรือว่าใครที่คิดเห็นว่าจะมาประพฤติพรหมจรรย์มีรูปแบบของการประพฤติที่จะลีออกจากกามนะั้เราทำตามกระบวนการนี้เนี่ยเราเราจะทําจิตให้เป็นเอกคตานะเป็นบุคคลที่ฝึกเสร็จได้การตายของบุคคลบุคคล น, นั้นเนี่ยจะเป็นการตายที่มีเกียรติยศท่้งเดียวเกียรติยศในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาในระดับที่เป็นอาเซคะนั่นคือระดับที่สูงสุดละไม่ต้องฝึกละสูงสุดนี่หมายถึงว่าสูงสุดในความเป็นพระอรหันต ที่สามารถที่จะบรรลุทําไดนะ้ถึงจะเรียกว่าการตายนั้นเนี่ยคุณมีเกียรติยศในเกียรติยศคุณทิ้งเอาไวนะ้ชื่อเสียงคุณอยูนะ่แต่ว่ากายเราก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าชื่อเสียงนะนั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณศาสนะอันเป็นอาเซค่ะนั่นคือเกียรติยศของบุคคลนั้นนเองเหมือนกับช้างป่าที่ฝึกเสร็จแล้วนะรู้เจนจบวิชาเป็นหนช้างที่ควรแก่พระราชาจะใส่สจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชา